อย่าลืมว่าเมื่อเราได้รับทุกทรมาในโลกของโอปปาติกะนั้นมนุษย์ช่วยเราได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซถึงแม้ว่าเขาจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนยังมีเวลาอยู่ก็จงรีบเวยโอกาสที่ว่าทำอย่างไรหนอจิตใจเราจึงจะดีขึ้นกว่านี้ นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะรู้สึกขัดแย้งกับความเชื่อของคนทั่วไปที่ว่าเราสามารถที่จะทําบุญให้กับคนตายเพื่อช่วยให้เขาพ้นทุกข์ช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการอันที่จริงการที่หลวงพ่อสมเด็จพูดเช่นนั้นท่านหมายถึงผู้ที่กําลังตกนรกหรือผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งทําให้นึกถึงการกุศลไม่ได้นอกจากจะนึกอย่างวิธีธรรมดาเช่นเมื่อถูกไฟไหม ก็คิดที่จะหนีออกไปจากไฟหรือขอให้ใครมาช่วยดับไฟให้แต่เขาจะไม่รู้เลยว่าไฟนั้นเกิดจากบาปในใจของเขาเมื่อเขาเปลี่ยนใจได้จิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วไฟมันก็อันตรธานหายไปเองคนที่ความรู้อย่างนี้ไม่มีก็ย่อมจะนึกขึ้นมาไม่ได้และเมื่อใจไม่เป็นกุศลการทำบุญของญาติพี่น้องก็ไม่มีความหมายอะไร คือช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยโปรดอย่าเข้าใจว่าบุญเป็นวัตถทุที่สามารถจะหยิบยื่นให้กันได้ความจริงบุญก็เหมือนกับความรู้เราจะหยิบยื่นให้เขาได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเขารับฟังและเข้าใจสิ่งที่เราพูดและการที่เขาจะเข้าใจเขาก็ต้องมีพื้นความรู้ในเรื่องนั้นมาบ้างขอให้สังเกตว่า ความรู้ที่เราให้แก่คนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าความรู้มันวิ่งออกจากตัวเราและเข้าไปอยู่ในใจของคนอื่นเพราะถึงแม้เราจะให้ความรู้แก่คนอื่นมากสักเพียงใดความรู้ในตัวเราก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าคนที่ตายไปแล้ว ไปเป็นโอปปาติกะจะได้รับบุญกุศลจากญาติพี่น้องก็ต่อเมื่อโอปปาติกะผู้นั้นจะต้องรู้และอนุโมทนาถ้าเพียงแต่รู้แต่ไม่อนุโมทนาคือไม่รู้สึกเลื่อมใสพลอยยินดีเห็นดีเห็นชอบด้วยบุญย่อมไม่เกิดแก่ผู้นั้นและจงพิจารณาดูโอปปาติกะส่วนมาก เป็นเหมือนกับชีวิตในความฝันลืมความหลังได้อย่างสนิทสนใจอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าถ้ายิ่งมีความทุกข์ทรมานอย่างมากเขาก็จะไม่คิดถึงอย่างอื่นนอกจากคิดที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเขาก็จะคิดได้ตามความเคยชินเหมือนอย่างอยู่ในโลกมนุษย์โอปปาติกะพวกนี้แหละเป็นพวกที่ญาติพี่น้องแม้จะทาบุญไปให้ก็ได้รับผลน้อยที่สุด อย่างที่หลวงพ่อสมเด็จท่านว่าได้ไม่ถึงหปอร์ซส่วนพวกโอปปาติกะที่อยู่ในฐานะที่จะมาหาญาดของตนเองได้นึกถึงความหลังได้ง่ายและเคยทําบุญเอาไว้บ้างมีจิตใจเลื่อมใสในการทําบุญโอปปาติกะประเภทนี้ถึงแม้จะไปลําบากก็จะไม่ถึงขนาดที่ทําให้ลืมเหตุการณ์ในหนหลังได้ทั้งหมด พวกเนี้ยเมื่อเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ก็จะนึกถึงญาติพี่น้องและเมื่อรู้ว่าญาติพี่น้องทําบุญเขาก็จะเกิดปีติสมานนัตมีอนุโมทนาจิตพวกนี้ย่อมได้รับผลจากบุญกุศลที่ญาติพี่น้องอุทิศไปให้ตามควรแก่กรรมของตนคือถ้าคนไหนมีพื้นไปจากมนุษย์ดีเข้าใจเรื่องชีวิตของโอปปาติกะเข้าใจเรื่องบุญกุศลพวกนี้ จะได้รับมากส่วนผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และไม่ค่อยจะเลื่อมใสในการทำบุญเขาก็จะได้รับอุศลจากญาติพี่น้องได้น้อยขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่า การทำบุญให้กับคนตายจะได้บุญมากหรือได้บุญน้อยไม่ใช่สำคัญอยู่ที่สิ่งของหรือวิธีการแต่หากสำคัญอยู่ที่พื้นจิตใจของผู้ที่จะรับเหมือนกับครูสอนหนังสือนักเรียนนักเรียนคนไหนมีพื้นความรู้ดีตั้งใจฟังและมีความจำดีก็ได้รับความรู้มากส่วนคนไหนพื้นไม่ค่อยดีไม่ค่อยสนใจหรือสนใจฟังแต่ความจำไม่ค่อยดี ก็ยอมจะได้รับความรู้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งทั้งๆ ท, ที่บุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นฟังเรื่องเดียวกันจากคนคนเดียวกันและในเวลาเดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน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 นี่เป็นข้อความตอนแรกในเทศนาการที่4เทศนาการ น, นี้หลวงพ่อสมเด็จได้เทศเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 7และการเข้าทรงครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับในปี2507เพราะหลังจากนี้ท่านไม่เข้าทรงอีกเลยและเมื่อถึงวันมาฆบูชาในปี2507ซึ่งโดยปกติท่านจะต้องมาเทศโดยวิธีการเข้าทรง แต่มาค้าบูชาปีนี้ท่านก็ไม่เทศแต่ก็ติดต่อกับท่านทางสมาธิและหลังจากวันมาคะบูชาไม่กี่วันท่านก็หายไปนานหลายวันไม่เห็นท่านจึงได้ถามพ่อฤาษีว่าหลวงพ่อสมเด็จไปไหนพ่อฤาษีบอกว่าหลวงพ่อสมเด็จเข้าภูมิของท่านไปแล้วซึ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกขาดสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไปอย่างหนึ่ง แต่ก็ยังดีที่พ่อฤาษียังอยู่หลวงพ่อสมเด็จได้หายไปเป็นเวลาหลายปีท่านเพิ่งมาติดต่ออีกเมื่อปี2512จะเป็นเดือนอะไรข้าพเจ้าจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเป็นต้นปีและตั้งแต่นั้นมาก็ได้พบท่านอยู่เสมอจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ในเทศนาการ น, นี้หลวงพ่อสมเด็จได้ให้หลักของคนทรงไว้ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านเชื่อว่าเทศนาการ น, นี้เป็นของหลวงพ่อสมเด็จจริ ง, รงๆก็ควรจะตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการเข้าทรงที่แท้จริงนั้นหลวงพ่อสมเด็จบอกว่าคนทรงจะทรงอยู่ได้อย่างมากไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในที่บางแห่งที่มีการเข้าทรงกันทั้งวัน หรือเข้าทรงตั้งหลายๆชั่วโมงนั้นขอให้สังเกตว่าคนทรงไม่ได้หมดความรู้สึกไปทั้งหมดยังรู้สึกตัวอยู่บ้างแต่บังคับตัวเองไม่ได้การเข้าทรงในลักษณะนี้จะต้องระวังให้มากเพราะคำพูดที่ออกมาจากปากคนทรงนั้นออกมาจากจิตใต้สานึกของคนทรงเองได้ง่ายมากและก็สามารถที่จะพยากรหรือรักษาโรคได้ ทำนายเหตุการณ์ต่างๆได้และบางครั้งก็มีปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์เพราะความสามารถของจิตใต้สำนึกคืออำนาจของผวังขจิตที่ออกมาในลักษณะที่บังคับตัวเองไม่ได้เช่นนี้สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างและบางอย่างก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุนี้จึงทำให้คนทั้งหลายเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในรายที่ได้พบของจริงส่วนในรายที่บอกอะไรผิดเขาก็ไม่เชื่อซึ่งคนประเภทนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันรวมความว่าสำนักเข้าทรงทั้งหลายไม่ว่าสำนักไหนย่อมมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อถ้าสำนักไหนมีเปอร์เซ็นต์ของการทำนายถูกมากรักษาโรคหายได้มากก็มีคนนับถือมาก สำนักไหนมีอะไรผิดพลาดหรือว่าตื้นเกินไปคนที่นับถือก็มีน้อยอันนี้เป็นของธรรมดาแต่อย่างไรก็ดีทุกคนควรจะจำไว้ว่าการเข้าทรงที่สมบูรณ์นั้นผู้ที่เป็นคนทรงจะต้องไม่รู้สึกตัวเลยและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งว่าคนทรงที่แท้จริงนั้นจะทรงได้อย่างมากไม่เกินหนึ่งชั่วโมง